พระธรรมเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่16กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่ากลิ่นอะไรหอมหวนวทวนลมวันนี้เป็นวันที่16 ก ร, รกดาคมพุทธศักราช2557เข้าพรรษาเมื่อวันที่12ก ร, รกดาคมวันนี้เป็นวันที่16ในพรรษานี้พรรษา57เนี่ยผมจะพยายามประชุมหมู่พกเพื่อนในระหว่างวันพระ เพื่อทําความเข้าใจในหลักพระธรรมวินยัยหรือในหลักศีลธรรมจริยธรรมเพราะในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านจะต้องให้ปารัการอยู่ด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่เด่นเดนด้านด้า น, านไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าสํานักอย่างผมเป็นต้น แล้วก็ได้ยินเรียนรู้จากหมู่พวกเพื่อนที่ได้ปฏิบัติมาเห็นผลอย่างไรได้ผลอย่างไรอันนี้ก็มันต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องเป็นทอ ด, ทอดกันนี่ก็เหมือนกันผมเองก็พยายามที่หมู่พวกเพื่อนเข้ามาเพื่อการศึกษาจะต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังตามหลักธรรมคำ สอนของพระพุทธศาสนาในหลักธรรมท่านก็บอกเอาไว้ว่าการอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะจะต้องมีการประชุมหารือกันมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมพร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมพร้อมกันเลิกและก็พร้อมกันทํากิจที่จะต้องทําและก็ไม่ถอนที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ สมาทานตามที่พระ อ, องค์ทรงบัญญัติไว้ภิกษุใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานสงฆ์เคารพนับถือเชื่อถือคําของท่านแล้วก็ยินดีในความสงบแล้วก็ตั้งใจเพื่อนภิกษุที่ยังไม่มาสัววาดขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขอันนี้ก็คือผมอาจจะพูดไม่ถูก ทุกข้อทุกความให้หมูไปศึกษาสรุปแล้วก็คือในหลักธรรมคำนี่ว่าอปริหารทีจะทำทำเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวเรียกอปริหารที่จะทำมีอยู่เจ็ดนี่แหละคือสรุปแล้วก็คือมันประชุมกันเนืองนิดในการประชมุมการการหารือกันไม่ใช่ว่าเราประชุมกันแล้วพูดทางโลกมีแต่เครื่องทะเลาะวิ่แว่งกันไม่ใช่ เราจะต้องปาราบเรื่องธรรมพวกเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เราจะไปคิดทางโลกจะไปทําแบบทางโลกโลกเราจะมาบวชทําไมใ น, นเมื่อเราจะอยู่ทางโลกคิดแบบโลกโลกอันนี้เข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าคำธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ยึดแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินอย่างไรนี่อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาการอยู่ด้วยกันต่างองค์ก็ต่างอยู่ในความสงบอย่าไปคุกคีกันไม่ใช่ว่าแต่ละวันนั่งคุยสนทนากันจนไม่มีเว ล, เวลาเพาวนา มันไม่น่าจะถูกเรามามึกเพื่อภาวน า, าหาความสงบการภาวนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นแต่ตามไม่จริงผมเองผมมาสู่สำนักของผมผมไม่อยากจะให้ศึกษาแนวแถวอื่น ถ้าหากว่าเราอยาจกจะศึกษาแนวแถวอื่นเราก็ไปศึกษานอกจากวัดนอกจากสายนี้มีแต่เราเราไม่ได้แคบเรากว้างแต่ถ้ า, าว่าเรามาอยู่ที่นี่ไปศึกษาอย่างอื่นอันนั้นแปลว่ามาเข้ามาแล้วเหมือนกับเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแต่ตัวเองไปเป็นนู่นเป็นพวกเดรัจฉีนิคร ในครั้งพุทธกาลมี้็บวชมาในในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ว่าใจนั้นเชื่อเคารพนับถือในศาสนาอื่นไหว้พระอาทิตย์พอเห็นพระอาทิตย์ขึ้นมาก็ไหว้พระอาทิตย์ยืนออมองพระอาทิตย์ตลอด อ, อ, อันนั้นคือเป็นศาสนาหนึ่งในครั้งพุทธกาล อันนั้นก็มีพระสงฆ์ก็ได้ตำหนิก็ได้จับปลาสิกขาไปเพราะเหตุไรเพราะมาบวชในพุทธศาสนาแล้วแล้วก็เอาใจไปนับถือเริ่มใสในสาศาสนาอื่นอันนั้นก็มีแต่ น, นี้ของเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางไว้เนี่ยมีอยู่สี่สบอันนี้คือพอประมาณแต่ก็มากกว่านั้น แต่ว่าที่เราเข้ามาศึกษาเนี่ยเข้ามาดูอย่างวัดของผมผมจะสอนแนวแถวขอ ง, ของหลวงปู่มั่นพาดำเนินแต่ถ้าว่าเราไปสายอื่นเราเอาอย่างอื่นสายอื่นมาปฏิบัติไม่ได้ไปสายนี้ถ้าเกิดฟิปิประราชขึ้นมาเป็นบ้าเป็นบอขึ้นมาล้วจะตำหนิใครจะตำหนิผม ผมก็บอกอา้าวเราภาวนาอะไรผมภาวนาอย่างงุ่นแพ่งอย่างนู้นกระสินอย่างนี้อภิธิหารอย่างนู้นอย่างนี้แล้วจะทํำยังไงไม่ได้ไปตามที่แนวแถวที่ผมได้สอนเอาไว้เพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นสอนไว้พวกท่านเดินไปอย่างนั้นแล้วไปยังไงแล้วจะทํานี้ใครผมจึงไม่อยากจะให้ ถ้าหากว่าอยากจะออกไปปฏิบัติสายอื่นเราก็มีเป็นสิทธิ์ของเราที่จะออกไปแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องศึกษาแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนอย่างไรหลวงปู่มั่นท่านสอนถ้าหากว่าสมัถะเราไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าสมถะคือทำจิตใจให้สงบแล้วให้บริกรรม กำหนดลมหายใจเข้าและการกำหนดลมหายใจออกเวลาหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทอันนี้คือกรรมฐานหลวงปู่มั่นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านพาดำเนินบอกกล่าวกันมาเป็นทอดๆจนมาถึงผมเลยละผมก็ได้ยินจากครูบาอาจารย์ทุกอง จากหลวงปู่ล่าก่อไฉ่หลวงปู่จามก่อไฉ่หลวงตามหมาบัวก่อไฉ่หลวงปู่แหวนก่อไฉ่ที่ผมจำพรรษาด้วยนอกจากนั้นผมเข้าไปกราบไปไหว้อย่งหลวงปู่ฟั่นก่อไฉ่หลวงปู่เทศก่อไฉ่หลวงปูข่ขาวก่อไฉ่เกษียสายหลวงปู่มั่นก็ใช่ทั้งหมดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่มั่นพาดําเนินท่านยอมรับกันทุกองค์ ที่ภาวนาแต่ถ้านีเราเปรียบเทียบกับกรรมฐานของพระพุทธเจ้าผมก็เคยเปรียบเทียบให้ฟังกรรมฐานของพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณวันเดือนหกเพนที่โคลนต้นโพรพระพุทธองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้ารัวหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกมีสติสัมปะชัญญาในลมหายใจเข้าออก ท่านไม่ได้กำหนดพุทธโธอันนั้นคือกรรมฐานของพระพุทธเจา้าท่านก็ได้พัฒนาใจพระองค์รวมสงบแล้วก็เกิดญาณรัศนะเกิดฌานอันนั้นคือเป็นวิสัยของพุทธะแต่ตอนนี้มาถึงหลวงปู่มั่นท่านเอายึดกรรมฐานสองอย่างคือคำบริกรรมพุทธโธพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมมีสติสัมปชัญญะ ให้กำหนดพดโธหายใจเข้าพดหายใจเข้าโทหายใจออกอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่ท่านถ้าหาว่าอยากจะทำจิตให้สงบระวัตสมมาหรือสมาธิถ้าจะทำจิตให้เป็นสมาธิเราจะทำให้เป็นจิตสงบให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่อันนี้คือเวลาเดิน ขาขวาพดขาซ้ายโถขาขวาพดขาซ้ายโถพดโถพดโ ถ, ดโถเวลาปัดกวาดเวียงขวาพดเวียงซ้ายโถให้มีสติในการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ขณะที่นั่งร่างกายไม่เคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกให้กําหนดลมหายใจ เวลาเราเดิน เ, เดินก็รู้เราว่าขาก้าวเดินแล้วก็ขาขวาพุธขาซ้ายถูกในการก้าวเดินแล้วก็เวลาปัดกวาสเวียงขว า, าุเวียงซ้ายถูกมีสติในอริยบทในการยืนเดินนั่งตลอดนอนในขณะที่นอนก็ ก, กำหนดลมหายใจเข้า พดหายใจออกโทจนหลับอันนี้คือส ม, มถะคือพยายามทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งต้องทำอย่างนี้อันนี้คือส ม, มถะส่วนวิปัสนาเนี่ยสมถะและวิปัสนาวิปัสนานี้กว้างขวางใช้ติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดกำหนดดู ท่านให้ดูร่างกายเป็นหลักให้พิจารณาร่างกายให้เห็นร่างกายของเราเนี่เป็นอันที่จังทุกขังอนัตตาเห็นเห็นร่างกายของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้พิจารณาดูแยกแยะสู่ดูร่างกายของเราให้เป็นอสุภะปฏิกูลให้เห็นร่างกายของตนเองเห็นตามสภาพความเป็นจริง เกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายถึงจะไม่แก่ก็าตายก็มีเมื่อถึงก็แก่เกิดมาแล้วก็ตายตัวเล็กๆตายยังไม่แก่มากนี่แหละให้เห็นตามความเป็นจริงตามสภาพในเมื่อเห็นร่างกายตนเองแล้วให้ดูที่ใจเพราะสมถะเราผ่านความสงบมาแล้ว สมันะนี่ยคือทําจิตใจให้สงบรู้เห็นใจของตัวเองแล้วใจนิ่งแล้วเห็นใจใจตัวเองไม่กระสับกระส่ายใจตัวเองเป็นสมาธิผ่านสมาธิมาแล้วก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาในเมื่อพิจารณาด้านปัญญาปัญญาก็จะเห็นชัดเจนเห็นจริงเห็นจังเห็นตามความกําหนดที่อยากจะเห็นพิจารณาถึงธาตุสีพิจารณาถึงอสุภะพิจารณาถึงแยก ส่วนแบ่งส่วนของร่างกายร่างกายของเรามีอะไรบ้างเหมือนกับสัระสัตทั้งหลายเพนแต่ว่าเราเป็นมนุษย์เท่านั้นเองแต่เนื้อเหมือนกันหนังเหมือนกันหนังเรากับหนังไก่หนังมดหนังปลาแต่กัหนังเหมือนกั น, น, น, กนแต่มันต่างกันอวัยวะส่วนข้างในตับปอดลำไส้อะไรมีเหมือนกันแต่มันต่างกัน นี่แหละอันนี้ก็คือการพิจารณาทางพิปัตสนาให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละอันนี้ในพรรษานี่อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนอย่างน้อยก็อยากจะให้อยู่ในความสงบให้เห็นให้จิตใจเป็นสมาธิคือตั้งตั้งคือความตั้งใจมั่นให้มีสัจจะคือตั้งใจมั่นเน่ยตั้งแต่วันเข้าพรรษามาเนี่ยข้าพเจ้าจะนั่งพยายามนั่ง ให้ได้วันละครั้งครั้งละ เ, ออเดือนนึงเดือนแรกเนี่ยเราพยายามนั่งให้ได้หนึ่งครั้งละหนึ่งชั่วโมงหนึ่งคืนเดือนที่สองเราจะพยายามนั่งให้ได้คืนคืนละสองชั่วโมงคืนที่สามเราจะเดือนที่สามเราจะนั่งให้ได้สามชั่วโมงผมว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความ พยายามอย่างที่ผมได้กล่าวผมมั่นใจเหลือเกินพวกท่านจะเห็นความสงบทางด้านจิตใจพวกท่านทั้งหลายจะเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อจริงๆไม่ได้เชื่อแบบสงสัยเพราะเหตุใดเพราะเชื่อในการกระทำเชื่อในผลของงานเชื่อในสมาธิที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนเพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ของ แปลกปลอมไม่ใช่ของอมัวเมียเราพูดเอาเองไม่ใช่ถ้าพวกเราปฏิบัติได้แล้วพวกเราจะรู้จริงเห็นจริงในตัวของพวกเราท่านทั้งหลายเองนี่แหละพวกผมเองอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองอพระลูกหลานทุกองเขามาบวชในพระพุทธศาสนาอยากจะให้พวกเราทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบจิตใจรวมสงบ แล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็เชื่อมั่นอีกต่างหากตายและเกิดหรือตายและสูญไม่ต้องถามใครถามตัวเองเลยรู้ได้ด้วยตนเองเลยเพราะมันชัดเจนแต่ถ้าว่าเรายังไม่ได้จับจิตใจยังไม่สงบเนี่ยเรายังเรือนเรือนหลาง เ, เชื่อบางไม่เชื่อบางใครพูดทางไหนก็ปไปทางนั้น ด้วยเหตุผลอันไหนถ้าเขามีเหตุพูดมีเหตุผลก็เชื่อไปตามยิ่งเป็นคนมีศรัทธาจริตเนี่ยเชื่อคนง่ายเสดงว่ายิ่งนะั่ะไปใหญ่เลยแสดงว่เพราะหะไรไม่ได้ขาดความรอบคอบเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้บอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้ยึดตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สายลุงปูมั่นที่ผมได้กล่าว อยากจะให้าจะทำจิตใจให้สงบกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุธหายใจออกบริกรรมโถเดินจงกลมขาขวาพุธขาซ้ายโถพยายามเดินให้นานเดินจงกรมเอาจนเหนื่อยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเดินจงกลมบางทีเราอาจจะถูกกับจริตในการเดินบางท่านถูกจริตในการนั่งแต่บางท่านถูกจริตในการเดินจงกรม เพราะนั้นให้พวกเราสังเกตในการภาวนาของพวกเราอย่าไปพูดว่าถูกจริตกับการนอนพอนอนเข้าไปไม่เท่าไหร่มันก็หลับมันไม่ได้ผล เ, ร, เรื่องการนอนผมนั้นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงไม่แนะนําในการนอนภาวนาแต่ยืนท่านก็นยังไม่แนะนําอาจจะถูกกับจริตเป็นบางคนการยืนนะครับยืนพิง ฝาพิงกระดานพิงต้นไม้หรือพิงต้นเสายืนแล้วกภาวนาพุโทโธพุโทโธถ้ายืนตามปกติมันจะโงนเงนินมันจะล้มถ้าเรายืนพระนั้นท่านจึงไม่แนะนำในการยื น, ย, นยืนภาวนามีแต่เดินกับนั่งนอนท่านก็ไม่แนะนำพระนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกทท่านนะพระลูกหลานทุกอง ในพรรษาที่อยู่ในขณะนี้นะอย่าได้เปล่าประโยชน์ถ้าถ้าเราทําให้เปล่าประโยชน์มันเปล่าประโยชน์จริงๆนะถ้าทําให้เกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์อ่าถ้าว่าทําให้เ ป, ปล่าประโยชน์มันเปล่าประโยชน์จริงๆเข้ามาแล้วไร้ค่าไร้ประโยชน์จริงๆเข้ามาแล้วอยู่แบบเด่นๆด้านๆไม่คิดไม่อ<ๆ>่านอะไรเลยอยู่เป็นวันๆเดือนๆปีๆไปเพอๆยังขี้เกียจอีกต่างหาก เพราะไม่เชื่อศรัทธาคือความไม่เชื่อเขาจะทําอะไรกันนั่นเสียออมแรงแต่กินทุกวันอยู่อาศัยแรงหมูแรงเพื่อนแรงวัดว า, าศาสนาไปทุกวันเป็นกาฝากเรื่อนรอยเรือนรอยอยู่เรื่อนรอยอยู่อย่างนั้นอันนั้นไปลว่าเข้ามาเปล่าประโยชน์จริงๆผมไม่อยากจะให้พวกเราเป็นคนทั้งคน เป็นพระทั้งองค์บวชมาในพระพุทธาศาสนาไม่อยากจะให้เป็นคนหลักรอยอย่างนั้นอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจศึกษาและก็ปฏิบัติเอาจริงจัง อ, อย่างพระอานนท่านไปอยู่ในที่สงบสงัดท่านก็ตั้งปัญหาขึ้นมาเอ๊ะ กลิ่นในโลกนะ่ยกลิ่นจันทร์ก็ดีกลิ่นดอกไม้ก็ดีกลิ่นต่างๆ่างกลิ่นหอมหอมหวนนะมันไปได้แต่ตามลมมันทวนลมไม่ได้แต่กลิ่นอันไหนหนอที่มันหอมแล้วมันทวนลมได้มีเลยมีเลยเปล่าหนอนะท่านก็ตั้งปัญหาขึ้นมาในใจเออเอาเถอะ เราจะไม่ต้องคิดวว่าเราจะไปเฉลยตนเองได้ยังไงเอาไปถามพระพุทธเจ้าดูสิพระพุทธองค์จะตอบว่ายังไงอันไหนที่หอมทวนลมได้มีไหมในโลกเนี่ยพระอนนท์ก็ได้เวลาเขาไปกราบพระพุทธเจ้าเมื่อมีการอันควรเอาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข่าข้าพระองค์เปนั่ง ภาวนากระมันเกิดปัญหาถามตัวเองขึ้นมาในใจว่ากลิ่นหอมกลิ่นจันทร์กลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรหอมหอนทั้งหลายมันไปได้แต่ตามลมแต่มีกลิ่นอันไหนหนอที่หอมทวนลมมีไหมในโลกเนี่พระพุทธองค์บอกว่ามีอานุ์สิ่งที่หอมทวนลมคือ กลิ่นศีลกลิ่นธรรมกลิ่นกลิ่นคุณงามความดีไปทั้งตามลมไปทังทวนลมไปได้ทุกสารทิศทุกหนทุกแห่งไปได้ไกลอีกต่างหากยิ่งกว่ากลิ่นจันทร์กลิ่นดอกไม้กลิ่นของหอมทั้งหลายกลิ่นศีลกลิ่นธรรมกลิ่นคุณงามความดีทั้งว่าเรา คนนี้มีศินท่าไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุรากิติศัพท์ของเขาดังทั้งทวนลมทั้งตามลมแหมยิ่งเขาเป็นผู้มีผู้มีน้ำใจในการเสียสละการทําบุญทําทานเสียสละให้กับชุมชนสังคมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทํา ใครๆเขาจะยินทุกหัวละแหงในระแวกนี่คล้ายๆก่อนเนี่ยอยากจะเข้ามาเป็นหมูเป็นเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์นับเนื่องเพราะว่าเป็นผู้มีน้ำใจดังไปทุกหัวละแหงใครเข้ากลิ่นกระจายไปฟุ ง, ฟงไปหมดใครใครได้เห็นก่อนน่อยยอมรับนี่แหละ กลิ่นคุณงามความดีกลิ่นศัตบุรุษหอมไปได้ทั้งทวนลมและตามลมไปทุกสารทิศนี่แหละสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราทำความชั่วความชั่วนันก็มีกลิ่นไปทุกหัวและแหงอีกเหมือนกันถ้าเราทำกรรมดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็หัวหอมหวนไปทุกหัวและแหงเหมือนกัน เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านบวชเข้ามาในพุทธศาสนาเป็นสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุท ธ, ธเจ้าพวกเราควรจะประกอบแต่คุณงามความดีสิ่งที่มันไม่ดีอยา่าพูดอย่างนั้นเลยอย่าอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดอย่าแสดงออกถ้าจะเป็นโมโหโกรธาอะไรก็ตามให้มันเผาหัวใจของเราอย่าให้มันออกไปเผาคนอื่นจะไปทะเลาะเบาแวงกับคนอื่นเขา ให้มันเผาหัวใจเรานั่นแหละให้ดูให้ดูที่ใจของเราอะนี่นแหละหลวงพ่อเนี่ยอเป็นตัวอย่างพูดอย่างนั้นได้หลวงพ่อเองไม่เคยทะเลาะบอกแว้งกับใครถ้ามันแสดงความคิดเห็นใช่หรือแสดงความเห็นธรรมดาแต่จะไปอดุดาว่ากล่าวออกหมัดออกมวยกับใครนั้นไม่เคยพูดอย่างนั้นได้ หลวงพอ่อมีความลังเกียจในเรื่องที่จะต้องทำอย่างนั้นเรื่องโมโหโกธาก็ให้กับใครแต่เรื่องเหตุผลเรื่องอัดเรื่องทมนั้นหลวงพ่อต้องแสดงให้ฟังเรื่องอย่างนี้เป็นอย่างนี้เหตุนี้เป็นอย่างนี้นานบางทีก็นั่นพูดเสียงดังขึ้นมา ถ้าพูดจบแล้ว ก, ก็จบเราไม่เคยที่จะผูกอาคาตพรยาบาทจองเวงกับใครทั้งหมดผูกไปเพื่ออะไรมันได้อะไรมันมีเสียถึ่ไม่แต่เสียตัวเองจากแล้วมันจะไปหาเสียองศาคณาญาติอีกเลยแต่ถ้ามันไม่ถูกเราพูดได้มันไม่ถูกจะทํำยังไงเราเห็นอย่างนี้ถ้าเขามาพูดให้ฟังเอาเหตุผลมาพูดให้ฟังเรายอมรับออเอออ้าวจ่ายอา่ เราเนี่ยอาจจะเรามีความเห็นอย่างนั้นไปแล้วตรงนี้ผิดเราก็ยอมรับเพื่อเพือเราจะขออภัยเขาอีกว่าเราผิดตรงนี้เราเห็นผิดเราคาดคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอแต่เมื่อเขาเอาความจริงมาพูดให้ฟังเราก็ยอมรับนี่แหละอันนี้เราผมเองอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองเข้ามาอยู่กับผมอย่าไป ผูกพยาบาทอาคาตหรือว่ามีโอารมโมโหโกธาต่อกันการอยู่ด้วยกันให้อภัยกันไว้ดีที่สุดต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับพึ่งพาอาศัยกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งเรียกหากันได้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเออเจ้ากรท่านองค์งนี้อยู่แถวนี้นะ เราก็ขอเอ้ยลถผมเสียนะวะผมมีปัญหาไปไงอยู่ใกล้ไม่เนี่ยมีหมู่มีเพื่อนมีพักมีพวกไว้ดีกว่าที่จะไปที่ไหนมีแต่อริมีแต่ศัตรูผ่านไปที่ไหนก็ไม่ได้ไม่น่าจะให้เป็นอย่างนั้นเราเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่างหาก ก็พระเจ้ามิตรสอนให้มีเมตตาต่อกันแต่ทั้งนี้ทางนั้นที่ผมพูดไม่ใช่ว่าหมู่พวกเพื่อนทะเลาะเบาแวงกันไม่ใช่เป็นแต่เพีแนวทางแนวทางของพวกเราท่านทั้งหลายควรจะเดินอย่างที่ผมได้พูดได้กล่าวมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าพวกเราเดินอย่างที่ผมได้กล่าวนะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่าน บวชมาในพุทธศาสนาบวชมาคราวนี้ถึงจะสามเดือนก็นจะให้เสียเที่ยวเสียทีให้บวชมาแล้วให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติอย่างที่ผมได้พูดสมัติธาคืออะไรเอ๊ะทาพยายามทําจิตใจให้สงบนั้นทํำยังไงตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นกำหนดภาวนาพุทโธพร้อมๆร้อมขอรรมหายใจเข้าหายใจออกแต่อย่าไปส่งจิตออกไปข้างนอก แต่ยินเสียงอะไรมาก็ตามแต่บางทีมันเสียงเบ้าออกมานะ่ยอย่าไปฟังจะเป็นเสียงอะเสียงอันนี้จังทั้งหมดนะเสียงทุกขังทั้งหมดเสียงอนัตตาทั้งหมดนะจะไปเห็นนิมิตอะไรมาก็ตามในนั่งภาวนาจะไปเห็นรูปพูดผีปีศาจมาก็ตามจะไปเห็นเทวบุตรเทวดามาก็ตามเราจะไปส่งจิตไปดู ให้กลับมากรรมฐ า, านเดิม้ามันเห็นอย่างนั้นจากนั้นภาวนาดูไม่ต้องดูอยากดูไม่ต้องดูถ้าส่งไปดูแลนะผลในสุดหลงในนิมิตสำคัญผิดไปอีกเพราะนั้นผู้ใดก็ตามถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นให้มาหาลุงพ่อนะลงพ่อจะบอกแนะนำผิดรูดถูกถ้าสงสัย ให้มาหาหลวงพ่อนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยพร้อมที่จะฟังพวกลูกห ล, ล, ลานน้องน้องทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายถ้าหากว่าปฏิบัติเป็นยังไงมีปัญหาอะไรให้บอกอย่าไปสุมเสี่ยงเดินไปโดยที่ไม่ได้บอกถ้ามันเสียหายมากจนพอแรงจะแก้ไขไม่ได้ละทําแตกแ อันนั้นเสียหายเพราะนั่งใหญ่อย่าให้ถึงขนาดนั้นนะมีปัญหาอะไรก็มาบอกหลวงพ่อเออที่มันไม่ได้ไม่น่าจะเดินทา้งนั้นนะะพาลูกพาหลานนะผิดนะเอออันนี้ใช่ถูกไปอย่างนี้แหะถูกแล้วพอพวกเราไม่เคยเดินทางไม่เคยเดินแต่ว่าตัวเองดันทุกลังว่ามันถูกมันถูกบางทีมันผิดทั้งเพยก็มี เราเคยเดินทางไมเลยเคยขับรถไหมบางคนบางทีผมนั่งไปผมก็ค่อยๆดูโซโฟเฟอร์มันดันเท่าไหร่เอถ้าเธอสงสัยทําไมเธอไม่ถามคนก็ถามเขาดูสิว่าจุดประสงค์เราจะจะไปที่โน้นก็ถามเขาดูสเิเราจะไปสงสัยทําไมมันเสียกําลังใจอีกต่างหากเสียความรู้สึกผิดถูกผิดทุกอยู่เนละมนุษย์ก็มีอยู่ถามเขาเลยสิ ถ้าถามเราเรากไปด้วยความมั่นใจจะไม่ดีกว่าเหรอเนี่ยนี่อันนี้ก็เหมือน ก, นการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราสงสัยมปฏิบัติอย่างนี้มันผิดไหมหรือมันถูกแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยเดินเราก็ต้องถามครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้กว่าที่เราเข้ามาศึกษาครูบาอาจารย์จะได้แนะนำบอกกล่าวอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรไม่ควร เกิดเราก็จะได้นำไปนอกจากนั้นเราอาจศึกษาในหนังสือหรือว่าธรรมะเลขิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเขียนว่าอย่างประวัติหลวงปู่มั่นปฏิปทาพระตรงกรรมฐา น, นอาวักกาศของจิตอวักกาศของธรรมเอาแว่นซองธรรมแว่นดวงใจที่หลวงตาท่านเขียน และกครูบาอาจารย์องค์อื่นที่ท่านเขียนในปฏิปทาของท่านเราก็ศึกษาศึกษาได้แล้วจะเกิดประโยชน์แล้วก็นำมาประพุทธปฏิบัติปรับปรุงกายใจของเรานี่แหละอันนี้ผมคิดว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับพวกพาลุกพาลา น, น้องนองทั้งหลายและอีกอย่า ง, งเรื่องเกี่ยวกับการอยู่การชั้นเรื่องเกี่ยวกับวินัยก็ให้อย่าไปมองข้ามไม่ได้นะวินัยนะ ถ้าว่าใครก็ตามไม่เคารพวินัยไม่มีศีลไม่มีวินัยผมรับไม่ได้ผมอยู่ด้วยไม่ได้เป็นพระอ ร, ช, อ ร, อรชีตจรตานะผู้ไม่มีความละอายต่อบาปเพราะนั้นขอให้พวกหมู่พวกเพื่อนทุกองคนะให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยให้เคารพในกฎระเบียบศีลและวินัยการอยู่ด้วยการด้วยศีลและวินัย ด้กดด้วยระเบียบแล้วนะล้มก็ลมเย็นเป็นสุขนะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ครบในศีลและวินยยัยและไรอยู่ด้วยกันกันนะนะั่นแอแบบป้าบ้าบองบองบอบไปนะลยแล้วจะเป็นยังไงไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่ดีนะอะ่เราพวกเราอยู่ในสถานที่ใดนั่นแหะให้อยู่ในกฎให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในวินยัยถึงจะโง่อย่างไงฉลาดยังไงก็ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัย ันถ้าอยู่ในหลักพระธรรมนนายแหก็คือเป็นศากับุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าถึงจะโง่ฉลาดก็จะเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าถ้าว่าออกแหวกแนวไม่มีศีนละนะนั่นละนั่นะเป็นพระไม่มีเฮติไม่มีโอตตปะไม่มีอย่างอายอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อยู่กับครูบาอาจารย์หมู่พกเพื่อนผมรับไม่ได้ถ้าเป็นผมนะไะนั้นขอย ห, หมู่พกเพื่อนทุกองนะ มาบวดูที่ความสบายใจไม่มีอะไรทั้งอกทั้งใจภาวนาถ้าใครมีเรื่องอะไรเก็บใครได้ป่วยก็บอกบอกมูพวกเพื่อนแต่ถึ้งยังไงต้องอดทนไว้ก่อนนะอย่าไปขี้แอรลงตามหมาบัวบอกว่าพอจามิันทีเดียวก็ไปหาหมอแล้วพระกรรมฐานทุกวันแย่ทำไมพระขี้แออ่า พระไม่เข้มแข็งในอันนี้คํานี้ก็ฟังเอาไว้นะฟังเอาไว้นี่คือพ่อแม่ครูบาจารย์รุ่นปู่รุ่นตาของเราเนี่ต้องเข้มแข็งทําเหลือบากว่าแรงก็ว่าเออเรื่องเป็นขนาดเี่มันจะหนักหนานแล้วนี่ยังคอยหมู่พกเพื่อนป่วยธรรมดาแล้วก็สังเกตสังเกตตัวเองซะก่อนออถ้ามันเป็นขนาดเออเอาใช่ มันน่าจะไม่ไปแล้วเนี่ยค่อยยังคอยพาหมกถามถามครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนนะเนี่ยแหละการเป็นอยู่ปัจจัยสีไม่มีปัญหาแล้วก็ของใช้ของเราก็เหมือนกันนะผมกเพียงต่รับมารับมาแล้วก็นั่นแหะให้หมู่พวกเพื่อนเป็นผู้ช่วยกันเก็บไม่ใช่เก็บทั้งหมดนะถ้าพอจะแบ่งไปวัดไหน ที่ได้มาที่วัดของท่านขาดเหลือขาดตัวขัดไซถุงใซอะไรถวายท่านตามวัดต่างๆ ต, ตลอดถึงญาติโยมพอที่จะแบ่งญาติโยมได้ของใช้เขาเขแก๊กๆญาติโยมมาทําการทํางานแล้วก็แบ่งแบงให้ไปใช้ไปแต่ไม่ใช่ว่าแบ่งจนเอาเหลือใช้โจนให้กับใครจนเหลือใช้ไปหมดก็ไม่ใช่นะอันนี้มันไม่ใช่สมบัติของพวกท่าน เป็นสมบัติของสงฆ์เป็นสมบัติของกลางเราต้องเสือเผื่อแผ่ให้กับพระสงฆ์ให้กับศรัทธาญาติโยมแล้วก็ของบางชิ้นบางอย่างพวกในครัวของใช้พวกในครัวเราก็ต้องดูพกยาล้างถ้วยล้างชามอันไหนที่เราจะแบ่งไปให้เขาใช้พอเขาใช้เยอะกระมังชามของมาใช้แต่ละวันมันมากขนาดไหน ฐานเราได้ทามันมีทางนี้มากเราก็ต้องแบ่งไปทางนู้นนะสรุปแล้วก็คือให้มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังดูรอบด้านรอบข้างในการเป็นอยู่ถ้าพวกเราอยู่ด้วยความรอบครอบเน่ยผมว่าอยู่นักสถานที่ใดสบายใจร่มเย็นเป็นถุกด้วยกันดังนั้นแหละแต่อยู่ที่ไหนมีแต่เอารัดเอาเปียบมีแต่เห็นแก่ตัวไม่มองใครเลย ใจคับแคบ น, นั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องพระกรรมฐานพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วลท่านให้มองเฉลือเผื่อแผ่แบ่งปันแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนภิกษุสมณะศรัทธายาโสมพวกเกี่ยวข้องไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะตนผู้เดียวอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอน พระพุทธเจ้าสอนนะอม่ไแบบม่ให้เห็นแก่ตัวเองไม่รู้จักแบ่งใครอนั้นไปถูกนะไม่ใช่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นนักการอย่างนั้นขี้ตันีทีเหนียวนะแต่ใช้แบบฟุม่มเฟือยแล้วเฟอเพอร์ฟุม่มเฟือยนะั่นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันใช้อะไรทิ้งทิ้งคว่างควาง่าต่คิดดูสิว่าตัวเองสมัยก่อน ก่อนที่เรามาบวชเราเคยทำบุญทำทานไหมเราเคยซื้อแฟบวายวพระไหมเราเคยซื้อเคยซื้อสบู่ถวายพระไหมเราเคยซื้อของถวายพระไหมที่เราใช้นะแต่พอเรามาใช้นะทำไมใช้จนลืมตัวมันไม่ทนะุกเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้ให้เราทบทวนมองซ้ายมองกวอนดูหน้าดูหลังทั้งหมดนะการใช้สิ่งของ ให้ใช้ด้วยความประหยัดถ้ามันเหลือใช้เรากนะ็ยังมอบให้คนอื่นะให้มันเกิดประโยชน์ <IS Index> ต่อ ว, วงการพระพุทธศาสนา <IS> ให้ใครก็ได้ที่เขาขาดเหลือขาดตกมีชช่ไหมเรากินทิงท้งทิง้งคว่างขวางใช้ถึงทิ้งขว่างขวางอันนั้นไม่ถูกนะพระลูกพหลานพระน้องพระนุ่งทั้งหลายนะลูกหลานทั้งหลายน ะ, ะช่วยช่ยกันดูช่วยช่วยกันคิดน ะ, ะการพูดการกล่าวในวันนี้ก็เห็นว่าสุมควรกับ การเวลาข อ, อยุตินะ